แล้วใบหยาดกันอยหญาิกันกินตั้งล่องมุ้ยขึ้นมากเื้พ่ออุจิตทั้งวัยค า, วารวะตระหยาผ้าเขากันตัวบันยู่หนายู่หลังบไลงมัดลงมุยกันตัวบอกเออเอาดีเพือเพื่อ เ, อเื่อแกันอยู่รเออดีนั่นแหละลูกหลานลูกลูกหลานลุงพ่อต้องเป็นอย่างนั้น嘛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 บ่แบงหมูแบงเพื่นนนอนอบ่ดเดะเออบัทา ง, งู้เหลือมเมื่องูเหลือเกี่ยวเขาเขาจะบ่ซอยกันอไปเออเพอตายไปแล้วโอยตายก็ตายอย่างไม่ว่ากี่ทีมันกีเหนียวพรจแบงหมูแบงเพื่นจะอีกแสงปล่อยแสงกระตรอดมือตายเปนบ่เม็แนววันนั้นพวกเข้าอยู่น <c oughs> อยู่นํกากันต้องหักกันเมตตา ก, กันเออเฝื่ อ, อเอออรี่ตอกัน พกกูบ้บาเกินหลวงพ่อถามไทยพอมองหอดก็ต้องถามจาระทุกซุกดิบของลูกน้องลูกลานลูกลูกอยู่จังใดอยู่เย็นเป็นทุกข์มีอยัางบ่การที่ถามแต่ปกกูบ้บาพราถามตัวนาญาตรายม่ยจังไดบัดนีน้ถามตัวญ า, าตรายม่ยหมกูบ้บาจะได้เห็นนะโอ้ยพอ อ, อ๋อทุกเจ็ตฟ่อน คิดตัวดอดหลวงพอ่อพอย่กติณีว่ามันพวกข้าน้อยยู่บ้างหนึ่งยู่ภาคยู่ภาคเขาใส่กันอยู่ <c oughs> พันนั้หลวงพ่อจึงถามโตน้าการมันไป <c oughs> ว, วันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อ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 กับอาจารย์เมืองตกะกัตชลาเมืองตะกัตชีลาเนี่ยเป็นเมืองวิชานะใครจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องอเรื่องเลขเรื่องคณิตเรื่องโหราศาสตร์เรื่องวิชาการรบับการพุ่งแต่ทิศปะโมกอาจารย์คนหนึ่งนะ่ยมันเป็นท่านเป็นอัจฉริยะนะคล้ายๆกับเป็นอยู่นั้นนะเปรเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะจับได้หมดจะรู้เรื่องอะไร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 เพราะว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นมก็จะวิ่งขึ้นต้นไม้ได้ใช่ไหมล่ ะ, ะไม่ใช่หรือยืนล้อมโจโลบังนุนตัว ด, ด้วยกันนะีะเอันนี้นกับนะกุศิเสกขาตา้โดนอั้นก็นั่งยองๆเหมือนหลวงพ่อครูเนนะ่นั่งอยู่ทางหัวมันน ะ, ะจมข้เท้าถุมมบมุมมอบมุบมบมบม บ, ม บ, ม บ, ม บ, มบก็เสกเปล่าใส่หัวเสือเนะี่ย พอเป่าเสกเสกหัวเสือหัวเสือก็โพร่งเนี่ยตาเมื่อก็โปรง่ปรงลืมตาขึ้นมาอกะนตอนนี้ก็จมอีกกระตา พ, พัดอีกเจ็บเจ็บหัวมันอีกกล้วนะมันก็สะบัดหัว ถ, ถ, ถ, ถึกถึกถึกถึกขึ้นมาแต่นี้ก็ยังไม่ถอยเลยคนเออนสแก่วิชาแกค่คาถาเงี้ยบ่นคาสาธายทั้งสามครั้งสายเป Baker ่าท่านี่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 เมื่อเสกคาถาเป่าเสือให้ฟื้นขึ้นมาแล้วน่ะอถ้ามันฟื้นขึ้นมาแล้วมันจะทําังไงถ้ามันทํากับเราอีกเราจะมีคาถาเป่าให้อีกมันให้มันล้มลงอีกได้ไหม เ, เราก็จะต้องมีคาถาอีกคาถาอีกเอกลุมหนึ่งช่อหนึ่งเหมือนกันเลอพอมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็รีบเป่าเขาทำใส่หัว อ, อีกเพื่อให้มันสลบลงไปอีกอันนี้มันเสกคาถาให้มันมากินตัวเองเอโง่ะนะ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 ยายุคปัจจุบันให้ระวังให้ดีก็แล้วกันอมันเป็นพิษภัยกันเนี่ยนะเหมือนกับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สปปะโมกไม่ได้เรียนคาถาให้ทีท่วนแล้วก็เสกคาถาเป่าเสือเสือฟื้นคืนชีพคุณหมอแล้วกินตัวเองฮะเพราะเสือมันหิวนะหิวมาหลายวันเพราะฉะนั้นวิชาความรู้เนะมีประโยชน์ก็จริงแต่กลับให้โทษให้โทษก็มี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 อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน เ, เวลาไปเห็นนิมิตเห็นเทวปุถุเ ท, เทวดาเห็นอินพรมเห็นที่ไหนก็ตามอาถ้าจะไปหลงจะไปดูนะถ้าไปดูมันหลงนะอพอหลงถ้าเหมือลืมตัวนะสําคัญตนผิดนะให้ย้อนกลับักเข้ามาหากรรมฐานเดิมอย่าไปดูอันนั้นดูอันนั้นแปลว่าส่งจิตออกนอกเดี๋ยวเสียคนนะเดี๋ยวเป็นบ้าง่ายๆนะ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 ใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่หัวสนฝานะอย่าไม่ให้เชื่อหัวชนฝนะ้าถ้าคนที่หัวชนฝาไม่เชื่อใครเลยอันนะั้โง่นะมันต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูสูงดูต่ำดูสิ่งรอบด้านดูหมู่ดูเพื่อนออันไหนดีไม่ดีฮถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็นํามาประพฤติปฏิบัตินํามาบอกกล่าวให้กับหมู่พวกเพื่อนของเรา สี่นั้นที่มันไม่ดีเราก็บอกเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปทำเน้อในสี่นั้นมันไม่ดีอ่เราก็เป็นบทเตือนอีกบทหนึ่งเหมือนกันเราอย่าไปทำมันไม่ดีฮะแต่สิ่งที่มันดีเราคนนำมาเีกมาบอกให้หมูให้เพื่อนให้ศรัทธาญาติโยมอย่างหลวงพ่อไปเห็นอะไรมาจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อจะนำมาบอกกล่าวแนะนำสังสอนลูกหลาน <c oughs> ให้เป็นแนวความรู้สติปัญญา